ทิฏฐิสังยุตโซดาปฏิวั์หมดว่าด้วยโซดาปฏิมักว่าตะสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นตน้นข้อนี้คือว่าด้วยทิฏฐิว่าทุกสิ่งยั่งยืนมั่นคงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นนกรุงสาวัตถีตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 เมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นยึดมัน่นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทุนตอบว่าไม่เที่ยง ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างรู้ว่าทุกสิ่งยั่งยืนมั่นคงไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะตรัสถามโดยในยะเดียวกันกันกบเรื่องของรูป คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิว่าทุกสิ่งยั่งยืนมั่นคงจะไม่พึงเกิดตรัสถามว่าแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงสแสวงหา ใก้ครวนด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิว่าทุกสิ่งยั่งยืนมั่นคงจะไม่พึงเกิดภิกษุนทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยาสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการนี้ได้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 ที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าว่าด้วยทิฏฐิว่านั่นของเราโดยในยะเดียวกันเนื้อหาเหมือนกันกับประสูตรที่แล้วทุกประการนะครับเพียงแต่เปลี่ยนทิฏฐิว่าทุกสิ่งยั่งยืนมั่นคงเป็นทิฏฐิอย่างนี้เกิดขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเราเมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันว่าด้วยทิฏฐิอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน และโดยในยาเดียวกันกับพระสูตรต่อๆมานะครับเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาหรือทิฏฐิอย่างนี้เกิดขึ้นว่า ถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริการของเราก็จักไม่มีหรือทิฏฐินี้เกิดขึ้นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลผลแห่งวิบากกรรมที่ทำดีและทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณอบปฏิกสัตว คือเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นนั้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุรุษคือประชุมแห่งมหาพู้ตรูปสีเมื่อตายไปธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุนั้น อินทีทั้งหลายย่อมพันแปรไปเป็นอากาศาธาตุบุรุษทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ห้านำศพไปรอยเท้าปรากฏเพียงแค่ปา่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุดสีนกพิราบการเส้นสูงสิ้นสุดลงแค่เท่าฐานคนเข่าบัญญัตทา น, นี้ไว้คำที่ก่อนพวกนั้นย้ำว่ามีผล น, นั้นว่างเปล่าเท็ดไรสาระ หลังจะตายไปไม่ว่าคนเขาและคนฉลาดยอมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกภิสษุน์ทั้งหลายเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะถือมั่นยึดมั่นในรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นพิสษุน์ทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไรเปราะยึดมั่นอะไร คิดผิดอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าเมื่อบุคคลทําเองใช้ให้ผู้อื่นทำํำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนในการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นชู้พูดเท็จผู้ทําเช่นนั้นไม่จัดว่าทำบาปเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแมหาบุคคลใด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 ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นกับเขาเพราะมีรูปเพราะยึดมั่นถือมั่นในรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีความเพียรไม่มีกำลัง ไม่มีความสามารถของบุรุษสิ่งทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะของตนสวยสุขและทุกข์ในชาติกำเนิดของตนเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมันยึดมันในรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า สภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียรไม่หวั่นไหวไม่แปรผันไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองอะไรบ้างคือกองแห่งธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุไฟธาตุลมกองสุกกองทุกและกองชีวะใครก็าตามแม้จะเอาสัตราคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าใครปลงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงสัตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองกำเนิดต่างๆที่คนพาและบัณฑิตพากันเที่ยววินว่ายไปแล้วจะทำที่สุดทุกได้เอง ไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเรจาจะอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้อํานวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจะทําให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์ น, นี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทําให้สิ้นสุดลงได้จํานวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตรงด้วยทนานสงสารคือสังสารวัฏที่จะทําให้สิ้นสุดไม่มีเลย ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงตำ่ำคน่าและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปเองสวยสุขและทุกเองภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะถือมัน่นยึดมั่นในรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตคืออัตตาหรืออัตมันเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะถือมั่นยึดมั่นรูปเป็นต้นนั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนั้นจึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเป็นต้นนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความปราภันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนั้นจะไม่พึงเกิดขึ้นแม้สิ่งที่บุคคลได้เห็นฟังทราบรู้ถึงสแสวงหาใคร่ครวญด้วยใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยง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 ละความสงสัยในฐานะอกประการนี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกละความสงสัยแม้ในเหตุเกิดแห่งทุกละความสงสัยแม้ในความดับทุกข์ละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกขได้ภิกษุททั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยาสาวกผู้เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าทุติยคามนวัตหมวดว่าด้วยการไปที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพราะยึดมั่นถือมั่นในรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลสตรีไม่คลอดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุดเสาระเนียดและโดยในยาเดียวกันเนื้อหาอธิบายเหมือนกันกับวรรคที่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนประโยคสรุปจากการเข้าถึงเป็นโสดาบันเป็นประโยคดังนี้ ภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้เมื่อมีทุกข์เพราะถือมั่นทุกข์เพราะยึดมั่นทุกข์ทิฏฐิดังกล่าวที่ว่ามา น, นั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อมีรูปเป็นต้นนั้นเพราะถือมัน่นยึดมั่นรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจะตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่หลังจากตายแล้วอัตตาที่มีรูปไม่สลายไป หลังจากตายแล้วอัตตาที่ไม่มีรูปไม่สลายไปหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีรูปและไม่มีรูปไม่สลายไปหลังจากตายแล้วอัตตาจะว่ามีรูปก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่สลายไปหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวไม่สลายไปหลังจากตายแล้ว อัตตาที่มีทุกข์โดยส่วนเดียวไม่สลายไปหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ไม่สลายไปเมื่อมีรูปเป็นต้นนั้นเพราะถือมั่นยึดมั่นรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจึงเกิดขึ้นพิสษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความประภันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นจะไม่พึงปรากฏภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้เมื่อมีทุกข์เพราะถือมั่นทุกข์เพราะยึดมั่นทุกข์มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนั้นจึงเกิดขึ้นตติยคัมนวัค หมดว่าด้วยการไปที่สามเนื้อหาโดยเนยะอธิบายความเหมือนกันกับวกที่ผ่านมานะครับสรุปดังนี้เมื่อมีรูปเปราะถือมั่นยึดมั่นในรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุจเสาระเนียดภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการอย่างนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อมีสิ่งนั้นเพราะถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมีรูปเพราะยึดมั่นถือมั่นรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไปภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้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 เพราะถือมั่นยึดมั่นรูปเป็นต้นนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ตกมั่นคงดุจเสาระเนียดหรือทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจะตายแล้วอัตตาที่ไม่มีทุกข์และสุขไม่สลายไปเมื่อมีรูปเป็นต้นนั้นเพราะถือมั่นยึดมั่นในรูป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 นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่กลัวเลยพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปเป็นต้นนั้นยังได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรูปทั้งหมดเป็นต้นนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเลรกคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น